เราพักที่บ้านห้วยหินหนักนะก็สบายสบายอบอุ่นแต่ก็อย่างว่านะวางค้ามันก็มีความสบายบ้างนะในเรื่องที่พักแต่บางค้งมันก็ต่อไปต้องลำบากเนาะในการเดินทาง เหมือนกับชีวิตเราอะบางครั้งมันก็มันก็นกราบรื่นนะสะดวกสบายบางครั้งมันก็มีอุปสรรคมีปัญหาบ้างนะมันเป็นธรรมดาของชีวิตนะชีวิตจะให้มีแต่ความสบายอย่างเดียวแล้วก็ก็อาจจะทำให้เราอ่อนแอก็ได้นะแต่ชีวิตที่มีแต่ความลำบาก ตลอดเลยนะมีแต่มีแต่ปัญหาตลอดเลยถ้าคนวางใจไม่เป็นก็คงหลายคนก็ท้อนะหรืออยากจะจบชีวิตตัวเองไปเพราะว่ามันเหนื่อยนะเหมือนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบางทีความสบายนะเป็นยาพิษสำหรับนะผู้ที่ไม่มีปัญญาคือ บางครั้งถ้ามันสบายเกินไปนะมันก็ทำให้เราเกียจค้านทาให้เราประมาทเนาะว่ามันมันพร้อมทุกอย่างนะก็ทำให้เราไม่ไม่ขวนขวายอะไรพระพเจ้าก็เลยบอกว่าความบางทีความสะดวกสบายเนี่ยคือยาพิษนะสำหรับผู้ที่ไม่มีปัญญาแต่ถ้าผู้ที่มีปัญญาเนาะก็อาจจะบางครั้ง เขามีความพร้อมนะมีความสบายแต่ถ้าเขามีปัญญาเขาก็จะไม่ประมาทในในสิ่งที่เขามีนะเช่นบางคนมีมีเงินเยอะมีทรัพย์สินบริวารเยอะเขาก็ใช้ปัจจัยพวกนั้นเพื่อในการสร้างคุณงามความดีนะเป็นการถวายทานบ้านนะช่วยเหลือคน ยากคนจนบ้างนะหรือว่าสร้างสิ่งที่เป็นศาสนาสถานเพื่อการปฏิบัติธรรมบ้างนะอันนี้ก็ผู้ที่มีปัญญานะก็ใช้ทรัพย์ใช้สิ่งที่แต่เองมีในการสร้างสร้างสมคุณงามความดีอันนี้ความสะดวกสบายความพร้อมก็ไม่ได้เป็นยาพิษ่ะนะแต่จะเป็นยาที่บำรุงจิตใจเขาให้มีความสุขมากขึ้นนะ แล้วก็เป็นยาที่ช่วยรักษาคนอื่นให้เขาให้เขาพ้นจากความทุก ข, ข์ได้มากขึ้นอันนี้เหมือนที่เราสวดเมื่อสักครู่นะปวดอริยะอรยะคาถาเนาะระดับคนรวยในความหมายที่พระพุทธเจ้าท่านบอกคนรวยคือเนี่ยผู้ที่มีศรัทธาเนะศรัทธาคือความเชื่อที่ถูกทางนะ ศรัทธาในพระรันตนตรันะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเชื่อว่าพระธรรมคํำสอนของพระเจ้า ป, ปฏิบัติได้จริงให้ผลได้จริงเชื่อในประสมผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกข์ยังมีอยูนะ่อันนี้คือผู้ที่มีศรัทธานะบางครั้งหลายคนศรัทธางมงายนะอย่างศรัทธาไซเยศาสตร์ ศรัทธ า, เ, าเครื่องรางของขลังศรัทธาในอะไรก็ไม่รู้อันนั้นอันนั้นบางทีคําว่าศรัทธาคือความเชื่อแต่ศรัทธาที่ถูกทางก็คือเชื่อเนี่ยเชื่อในพระรัตนไตัยว่าว่ามีจริงนะเราก็เกิดความเลื่อมใสนศรัทธากับความเลื่อมใสกิงก็มาด้วยกันนะบางคนอาจจะเลื่อมใส พระสงฆ์ก่อนก็ค่อยๆให้เกิดศรัทธาในพระรัตนตัยขึ้นมาก็มีหรือบานคนอ่านประวัติพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเนี่ยก็ทำให้สนใจในการศึกษาพระธรรมแล้วก็เข้าหาพระสงฆ์เพื่อบอกสอนสิ่งที่จะพ้นจากความทุกข์ก็มีเยศรัทธาและความเลื่อมใสถ้าพุทธใดมีมากๆนะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีที่รวยก็ว่าได้น ะ, นะ อาจจะไม่รวยด้วยทรัพย์แต่มันเป็นรวยด้วยการที่เห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีค่าในในโลกนี้นะ<ม>การที่เนี่ยการที่เรามีศรัทธาทำให้เราเข้ามาศึกษาเรื่องการรักษาศีลนะเราก็จะมีศีลนะเราศึกษาเรื่อง ภาวนาเราก็เกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความพ้นทุกข์ขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าโอ้ความว่ารวยหรือว่าอริยทรัพย์มันเป็นแบบนี้เนาะมันบางครั้งเราอาจจะนอนกลางดินกินกลางทรายนะไม่ได้มีข้าวของอะไรมากมายแต่ความที่เรามีศรัทธามีความเนื่อใสต่อพ ร, รัชนะตายอย่างตั้งมั่นนะหรือการที่เรา มีสินะที่บริสุทธิ์ที่ไม่ด่ามท้อยนะไม่ติดเตียนตัวเองนะแล้วก็เกิดความภูมิใจในตัวเองนะการที่เรานะมีความเข้าใจเรื่องของร่างกายและของจิตใจนะไม่เป็นทุกข์เพราะร่างกายนะไม่เป็นทุกข์เพราะจิตใจมองมันเป็นความทุกข์ของกายความทุกข์ของใจนะถ้าเรามองแบบนี้นะโอ้มัน มันก็ทำให้เราเรียกว่าสบายแล้วจะอยู่ที่ไหนก็สบายแต่บางคนอาจจะมีอ า, อาจจะมีทรัพย์มากแต่เขาไม่สามารถที่จะเห็นความจริงพวกนี้ได้นะเงินทองก็อาจจะทำให้เพียงแค่ไปสงโรงพยาบาลดีๆนะสามารถจ่ายเงินค่ารักษาแพงๆได้ แต่บางทีมันก็ไม่ได้มันเทาความเจ็บไข้ได้ป่วยไปทุกกรณีนะหรือบางทียิ่งวางใจไม่ถูกนะก็ยิ่งยิ่งเครียดยิ่งทุกข์เพราะว่าดัางกายที่มันไม่สบายนะโวยวายเอาแต่ใจตตวเองนะอาจจะมีเงินไปส่งโรงพยาบาลหาหมอดีๆแต่จิตใจอาจจะเครียดนะเครียดว่าทำไมเราต้องเป็นโรคนี้ด้วยนะ ทำไมเราต้องโวยแบบนี้ด้วยเหลือเมื่อไหร่จะหายนะหรือเครียดก็เปรียบเทียบบัตรก่อนเคยดีตอนนี้ไม่ดีนะมันก็ไม่เกิดปัญญานะอนะหรือแม้แต่มีลูกหลานมีบริวารเยอะนะมีทรัพย์สินเงินทองเยอะแต่จริงมันก็เอาใช้ได้เพียงแค่โลกนี้เนาะตายไปก็เอาไปไม่ได้เนะตายไปก็ไม่มีใครเอาไปได้นะก็ตกเป็นของสมบัติของคนอื่นต่อนะ นะี่ยคือของพวกนี้มันเป็นของภายนอกนะเป็นของชั่วคราวนะเป็นของชั่วคราวที่เราแค่ยืมใช้นะแต่บางคนก็ใช้ทั้งชีวิตเพื่อหาตรงนี้นะหาของที่เอาไปใช้นะในภพภูมิข้างหน้าไม่ได้นะแต่ถ้าใครนะที่จะเดินบุญกุศลจเจริญภาวนาเนาะ มันก็จะเกิดเนี่ยแหละเกิดความมั่นคงในจิตใจนะไม่วันไหวแม้จะมีโรคกระทำมากระทบนะก็มองเข้าใจว่าเป็นโรคกระทำนะมีได้มันก็ต้องมีเสียมีสุขมันก็ต้องมีทุกข์มีนินทาก็มีสรรเสริญบ้างนะหรือว่าได้ราบก็มีเสื่อมราบได้ยศก็เสื่อมรศเสื่อมยศบ้าง มองเป็นโลกธรรมนะเหมือนกับชีวิตเราบางทีมันก็สบายบ้างบางครั้งมันก็ลําบากบ้างเนะี่ยเป็นธรรมดาของชีวิตนะเป็นรสชาตินะของชีวิตการทุ ด, ดงก็จะทําให้เราได้เห็นพวกเนี้ยเห็นรสชาตินะบางครั้งเดินเหนื่อยนะแต่พอพักใต้ต้นไม้ก็ล่มหรือลมพัดมาก็เย็นสบายนะี่นะบางครั้ง ศรัทธาจากญาโยมนะบางทีมันเป็นลาบของเรานะได้น้ําหวานได้น้ําเย็นนะ่ะตอนเหนื่อยๆตอนไม่ไม่ได้นะก็มองเป็นเป็นลาบนะแต่ตอนได้เยอะๆ ก, ก็กลายเป็นทุกขลาบนะะมันก็ไม่แน่นอนนะมันมันไม่ใช่วัตถุสิ่งของที่มันมันเป็นมันจะบอกได้ทั้งหมดนะแต่มันอยู่ที่ว่าเหตุปัใจจัยในตอนนั้นนะ ถ้าเมื่อไรที่เราหิวนะอาหารหรือน้ำหวานเล็กๆ น, น้อยๆนะก็มองเป็นสิ่งที่มีค่ามากแต่ถ้งเมื่อไรที่เราอิ่มนะมันเกินความจำเป็นนะมันก็มองเป็นภาระที่ต้องจัดการนะมองเป็นความหนักไม่มีอะไรแน่นอนนะไม่มีอะไรแน่นอนในวัตถุสิ่งของแต่มันอยู่ที่ความต้องการของใจเรานี่แหละว่ามัน เราต้องการหรือเปล่าที่จริงเนี่ยแหละถ้าเราวางใจดีๆนะเราจะมองเห็ น, อ น, นเอออันเนี้ยเนาะมันก็สอนธรรมะของเรานะอืบางคนมีมีของเยอะนะอย่างเราเดินเท้าดองเราจะเห็นมันเป็นภาระนะมันหนักเกินไปนะแต่บางทีพอหนาวหนาวก็คิดถึงมันเหมือนกันนะบางทีถุงนอนนะหรือว่าเสื้อกันหนาวก็คิดถึงเพราะตอนหนาว แต่ตอนนั้นร้อนตอนนั่งหนักก็ก็อยากจะเอามันออกนะใจเราก็แบบนี้แหละนะจะเอาแบบดีตลอดเลยไม่ได้หรอกนะจะเอาแบบสะดวกพร้อมตลอดเลยมันก็ไม่ใช่การเนินธุ ด, ดมนะอันนั้นก็อาจจะต้องนั่งรถนะพกทุกอย่างมาให้พร้อมนะแต่มันก็จะเสียอะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะได้เพียงแค่ความสบาย แต่ก็ไม่ได้เกิดการเรียนรู้อย่างอื่นขึ้นไปด้วยแต่ถ้าเรามองเป้าหมายในการเดินทางเราคือการที่เรามาเรียนรู้นมาเรียนรู้หละตั้งเป้าหมายให้ดีๆก็คือตั้งใจเพื่อมาเรียนรู้อะไรจะเกิดขึ้นมานะให้เราน้อมเอามาเป็นครูนะน้องเข้ามาเป็นครูทุกอย่างเลยนะทุกอย่างนะครูของเราเนี่ยอยู่สองข้างทางที่เราเดินนะ ไม่ว่าจะดินฟ้าอากาศผู้คนสถานที่ต่างๆนะหรือแม้แต่เพื่อนสนับเพื่อนที่ร่วมคณะของเราเองก็ดีหรือแม้แต่อาการของกายที่เกิดขึ้นก็ดีหรืออารมณ์หรือความคิดความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในจิตใจก็ดีมองดีๆนะนี่แหละคือครูทั้งนั้นครูที่สอนความไม่เที่ยงนะ ด, ดูดีๆนะนะ คูที่สอนความไม่เที่ยงผูู้ที่สอนเรื่องความเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์คือมันไม่สามารถคงทนอยู่ในสภาวะเดิมได้นะมันเปลี่ยนไปผูู้ที่สอนเรื่องความไม่ใช่ตัวตนของเรานะมันเป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นอนัตตาดูดีๆถ้าเราถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างลง ที่ใจรักนะเป็นครูที่สอนใจรักของเราเนี่ยเราจะเกิดปัญญา เ, เกิดปัญญามองนะในการมองในการเห็นถึงต่างๆนะความทุกข์ในใจเนี่ยมันจะน้อยลงแม้บางทีทุกข์กายมันก็ยังมีอยู่นะแต่ทุกข์ใจเนี่ยมันจะน้อยลงเนี่ยเราให้เราพยายามมองทุกอย่างนะเป็นครูแล้วก็การเดินทางทุ ด, ดงของเรา ก็ขอให้เป็นการเดินทางเพื่อการเรียนรู้น ะ, นะไม่ใช่เดินทางเพื่อหาความสุขหาความสบายหาสิ่งแปลกใหม่เพราะที่จริงการเห็นสถานที่แปลกใหม่นะั่นนี่มันเป็นเพียงแค่ของแถมน ะ, นะมันไม่ตามหรอกถ้าเรานั่งรถ ด, ดูแล้วก็พอเห็นอยู่นะหรือไปเที่ยวต่างประเทศก็ยิ่งเห็นสิ่งแปลกแตกต่างจากเมืองไทยเยอะนะ แต่บางทีกานได้ไปเห็นสิ่งแปลกแปลแบบนั้นได้ไปกินสิ่งใหม่ๆ่แปลกแปลกมันก็อาจจะได้กินแค่ได้เรียกว่าประสบการณ์นะเป็นประสบการณ์แปลกแปลกแต่ประสบการณ์จากการที่เราได้สัมผัสแล้วก็น้อมพวกอย่างมาเป็นครูในการสอนธรรมะเราเนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเรานะให้เรามีความสั่นโหลดมากขึ้นนะก็คือ กินง่ายอยู่ง่ายนะให้เรามีความอดทนมากขึ้นนะนั่งรถอาจจะเดินทางได้ไกลกว่าแต่มันไม่ได้ฝึกความอดทนเลยนะให้เราได้ฝึกการปรับตัวแล้วก็ปรับใจนะเวลาเดินทางไกลๆเดินทางเหนื่อยเราก็ต้องปรับตัวนะทำไงถึงจะเดินขึ้นเขาไหวนะทาไงถึงจะปรับใจได้เวลามันท้อนะเวลามันเหนื่อยนะเนี่ยมันเป็นการเดินทางเพื่อ ให้เราเกิดการพัฒนาตัวเองนะเหมือนเหมือนเป็นการฝึกฝนนะเหมือนเป็นการซ้อมเหมือนเป็นการแข่งไปในตัวได้นะเหมือนเราออกกําลังกายอออกกำลังกายมันก็ต้องเสียเหนื่อบ้างนะหรือว่าก็ต้องเหนื่อยบ้างนะแต่ถ้าเราออกกําลังกายบ่อยร่างกายเราก็แข็งแรงนะจิตใจของเราเองก็เหมือนกันนะได้มีอารมณ์มาทดสอบได้มีสิ่งที่มาเหตุปัจจัยมากระตุ้นให้ เราต้องใช้ความเพียรใช้ความอดทนนะใช้สติใช้ปรรัญญาใช้หรือบางครั้งก็ใช้สมาธินะมันก็จะทําให้สิ่งต่างๆพวกนี้ยมันคล่องตัวขึ้นนะเหมือนเราฝึกหัดอะไรบ่อยๆเนะี่ยเราก็คล่องเนาะใช่ไหมเราฝึกฝึกวาดรูปบ่อยๆนะมือไม้เราก็คล่องวาดรูป ก, ก็เก่งขึ้นเราฝึกทําอาหารบ่อยๆนะเราก็ทําได้เก่งขึ้นทํำคล่องขึ้นนะ การฝึกจิตฝึกใจบ่อยๆนี่แหละนะมันก็ทำให้จิตใจของเราเนะี่ยเกิดการพัฒนามากขึ้นนะพัฒนาจะาทั้งมันเห็นว่ามันไม่ใช่ของเรานะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะก็ฝากไว้ว่าในการทดดมงก็อาจจะมีหลายรสชาตินอะกก็ขอให้เราได้ได้มีศรัทธาในในพัฒนาใจนะเชื่อมั่นว่าวิถีทางที่เรารักษาศีล น, นะ ตามพระธรรมวินัยแล้วก็อาศัยพระธรรมน ะ, นะทุกอย่างแหะธรรมะมีหลายข้อมากนะอาศัยระลึกถึงพระธรรมที่เราเคยศึกษาน้อมเข้ามาสู่ภาคปฏิบัตินะแล้วเราก็จะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญานะการเดินทางเราก็จะเป็นการเดินทางเพื่อเพื่อออกจากความทุกข์เป็นการเดินทางเพื่อเข้าสู่อิสรภาพของจิตใจนะที่เรา ที่จะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์มากเหมือนกับแต่ก่อนนะก็ฝากไ้ครนะับ